ก็พระเจ้าเนี่ยนอนสะดุ้งไปตามๆกันกลัวว่าจะถูกนิมนต์เข้าน่ะสิพุทโธกลางคืนแบบนี้มักจะไปจำวัดที่กุฏิอื่นรวมกันหลายๆรูปจะได้เกี่ยงกันไปหรือไม่ก็จะได้ไปรับผ้าสักสองรูปยิ่งกุฏินหนนะไม่มีลูกศิษย์โตๆโตอยู่ด้วยอยู่เพียงรูปเดียวนอนหนาวเลยทีนี้เพราะว่าเขามักจะมานิมนต์เอาตอนดึกๆเอปู่เราจะไม่รับนิมนต์ไม่ได้หรอเป็นพระไม่รับนิมนต์ได้หรือวาแก